วันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นวันที่ชาวไทยชาวพุทธได้มีเวลาว่างไม่ต้องไปทำ ง, งานทำการเลยตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณวความค่อนดีเพื่อความเป็นเฉลิ่ยมงคลแก่ชีวิต เช่นมีการมาบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างในวันสงกรานนี้เราก็ถือโอกาสไปกราบไ่ว้ขอพร บิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มีพระคุณแก่พวกเราการไปกรา บ, บูชกบากราบไหว้ขอพอรนี้เป็นการบูชาอย่างหนึ่งการบูชานี้มีสองวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คือการกราบว่า้บูชา ด้วยสิ่งของสักการะเครื่องสักการะดอกไม้ทูกเทียนน้ำอบน้ำหอมนะเรียกว่าอามิสบูชาและมีการบูชาชนิดที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาคือการประพฤติตนให้เหมาะสมให้เป็นบุคคลที่มีแต่ความดีงาม เรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาทั้งสองแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาที่ดีกว่าที่เหนือกว่าการบูชาด้วยอมิตราบูชาก็ควรจะทำทั้งสองแบบเช่นวันนี้เราก็เอาข้าวของไป กราบไหว้บิดามารดาไปอับไปลดน้ำดำหัวไปขอพร อ, อย่างนี้เรียกว่าอามิสสบูชาเป็นการแสดงความเคารพสั ม, มาคารวะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระเสริฐเช่นบิดามารดา แล้วถ้าเราอยากจะบูชาให้ได้มากกว่านี้เราก็ต้องปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติตามคำสอนหรือความปรารถนาของบิดามารดาบิดามารดาทุกคนมีความปรารถนาอยากจะให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญการที่คนเรา จะมีความสุขความจเจริญได้ก็อยู่ที่การประพฤติถ้าประพฤติดีความสุขความจเจริญก็จะตามมาถ้าประพฤติไม่ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาถ้าเราอยากจะบูชาคุณของบิดามารดาด้วยการปฏิบัติบูบชาเราก็ต้องประพฤติดี คือคิดดีพูดดีทำดีละเว้นการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคืออะไรเช่นการคิดที่จะไปเล่นการพนันคิดที่จะไปเสพสุรายาเมาคิดที่จะไปเที่ยวกลางคืนคิดที่จะไปเที่ยวหาตามแหล่งบันเทิง ต่างๆคิดที่จะครบคนไม่ดีเป็นมิตรและคิดที่จะมีความเกลียดครามความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียพยายามละเว้นความคิดเหล่านี้ให้ได้ถ้าละเว้นความคิดได้ก็จะไม่มีการกระทำถ้าไม่คิดเล่นการพนัน ก็จะไม่ได้ไปเล่นการพนันถ้าไม่ได้คิดดื่มสุราก็จะไม่ได้ดื่มสุราวิธีที่จะทำให้เราไม่คิดเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาหากเราไปเล่นการพนันไปดื่มสุราไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆเพราะว่าการกระทาเหล่านี้เป็นการดูดซับจากตัวเราออกไป ไม่ได้เป็นการเสริมให้เรามีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นไปเล่นการพนันนี้จะสูญเสียทรัพย์ไปเราอาจจะได้แต่เวลาได้ก็เกิดความโลภอยากจะได้อีกก็จะเล่นต่อพอเล่นไปก็ต้องมีเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นอีกเล่นทั้งได้เล่นทั้งเสียพอเสียมากๆไม่มีเงินเล่นก็ต้อง ขายทซั์ขายข้าวขายของขายอะไรต่างๆแม้กระทั่งขายบ้านขายที่ดินไปนี่คือผลที่จะตามมาถ้าเราไปเล่นการพนันถ้าเราไปดื่มสุรายาเมาก็จะเกิดอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมการคิดการกระทําการพูดได้คนที่มึนเมาแล้วมักจะพูดวาจาอยาบคาย พูดในเรื่องที่คนไม่อยากจะฟังพูดละลานพูดหาเรื่องแล้วถ้าทำก็ทำข้าวของพังทุกข้าวของเวลาใครพูดอะไรไม่พอใจก็จะทำร้ายถ้าไปขับรถยนต์ก็ไปประสบกับอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นี้ของมักจะมีการรนรงค์ว่า อย่าเดิมสุรายามาขณะที่ขับยานยนต์เพราะว่าจะทำให้ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ช่วงนี้พวกเราทุกคนต้องการความสุขกันไม่มีใครต้องการความทุกข์ที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆถ้าเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเราต้องอย่าเดิมสุราโดยเฉพาะผู้ที่ ต้องขับยานยนต์อย่าไปดื่มสุราเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุลดพิกความลดชนกันถึงแก่เสียชีวิตหรือไม่เช่นนั้นก็พิกลพิการไปตลอดชีวิตความสุขชั่วประดิยวประดาวที่เกิดจากการได้ดื่มสุราอาจจะนำผลมาสู่ความทุกข์ไปจนมันตายเลยก็ได้ บางคนไม่ดื่มสุราแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ลดพลิกความศีรษะไปกระแทกกับของแข็งพี่กลนพี่การเป็นอามาพุกเป็นอามภาาไปตลอดชีวิตเล ย, เ, ยเพียงความสุขประเดียวประดาเท่านั้นเองเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาจึงจะทำให้เรานี่ไม่กล้าทำสิ่งที่เราไม่ควรทำสิ่งที่เราไม่ควรคิด ดังนั้นนี่คือเรื่องของความคิดที่ไม่ดีที่เราควรที่จะเลิกคิดถ้าเราไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันนี้พ่อแม่รู้จะดีอกดีใจจะมีความสุขใจจะนอนตาหลับเพราะกลัวว่าถ้าลูกไปเล่นการพ น, นันไปดื่มสุราจะต้องไปประสบกับ เรื่องราวต่างๆความเสียหายต่างๆนั่นเองอยากจะให้พ่อแม่นอนตาหลับอยากจะให้พ่อแม่มีความสุขเราต้องละเว้นการกระทำที่ไม่ดีนะเช่นการเสพอบายามุขต่างๆแล้วก็ต้องมาละเว้นจากการกระทำบาปเช่นเราอย่าไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวง เพรนี่เกิดเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษกับผู้กระทำไปฆ่าผู้อื่นเดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปลงโทษถ้าโทษหนักก็อาจจะถึงกับประหารชีวิตไปพ่อแม่ไม่อยากจะเห็นลูกตายก่อนพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนนี้คิดว่าจะต้องตายก่อนลูกแต่ถ้ามาเห็นลูกต้องตายก่อน จะให้พ่อแม่อันนี้มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากให้บุคคลที่มีพระคุณแก่พวกเรานี้ต้องมาล่องห่มร่องไอ้เพราะการกระทําที่ไม่ดีของพวกเราเราก็ต้องพยายามละเว้นการกระทําที่ไม่ดีต่างๆละอบายยมุขละการกระทําบาปแล้วถ้าอยากให้พ่อแม่มีความดีอกดีใจ ก็มาทำความดีกันถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่ก็ขยันเรียนหนังสือพยายามทำคะแนนให้ดีได้คะแนนสูงมากเท่าไหร่พ่อแม่ก็จะมีความสุขใจมีความดีใจมากขึ้นไปเท่านั้นพยายามเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เรียนให้ถึงเป็นยาตรีโทเอกเลยได้ยิ่งดีเพราะยิ่งมีความรู้มาก ยิ่งมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองหางานที่ดีได้หางานที่สบายไม่ต้องใช้กำลังทางร่างกายใช้กำลังความคิดใช้การพูดคนที่มีความรู้นี่ไม่ต้องออกไม่ต้องแบกหางของหนะักเพียงใช้ความคิดใช้ความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้มาเอามาพูดก็จะทำให้ เกิดประโยชน์อย่างมากคนที่เขามีความรู้สูงสูงจึงมักจะได้งานสบายได้ตำแหน่งสูงสูงได้เงินเดือนมากๆพอเรามีเงินเดือนมากแล้วมีรายได้แล้วเราก็ต้องนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ว่าท่านเคยเลี้ยงดูเรามาการที่เรามีความร่ำรวยมาได้ในบัด น, นี้ ก็เป็นพ่อว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาได้ส่งเสียให้เราได้ร่ำเรียนให้มีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาทำมาหากินให้มีรายได้มากๆให้ร่ำให้รวยตอนนี้เรารวยแล้วเราก็ต้องทำให้พ่อแม่รวยไปกับเราด้วยไม่ใช่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบยากจน ส่วนตัวเราเองนี้อยู่อย่างร่ำรวยอย่างนี้พขาเรียกว่าเป็นความอากตันอยู่คือความไม่มีความลำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่พอเรามีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อกับแม่ได้เราควรจะกระทำกันเพราะการกระทำบุญกับพ่อกับแม่นี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่า เท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหันต์เลยชาวพุทธเหล่านี้จะนิยมทําบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระพุทธเจา้าเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการทําบุญกับผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้ากับบอกว่าการทําบุญกับผู้อื่นเช่นพ่อแม่ของเรานี้<ะ>ก็เท่ากับเราได้ทําบุญกับพระอรหันต์ดังนั้นก่อนที่เรา จะออกไปหาพระอาหารหันต์เพื่อไปทำบุญนอกบ้านอย่าลืมพระอาหารหันต์ในบ้านของเราทำบุญกับพระอาหารหันต์ของพวกเราก่อนให้พระอาหารหันต์ของพวกเรานี้อยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายเหมือนกับเราเราอยู่แบบไหนพ่อแม่ก็ต้องอยู่แบบนั้นเหมือนกับสมัยที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาพ่อแม่อยู่แบบไหนเราก็อยู่แบบนั้นตอนนี้ ถ้าเราล่ำเรารวยกว่าพ่อกับแม่เราก็ต้องทำให้พ่อให้แม่ล่ำรวยเท่ากับเราเรามีบ้านใหญ่เราก็ต้องซื้อบ้านใหญ่ให้พ่อกับแม่อยู่เรามีรถราคาหลายล้านเราก็ต้องซื้อรถราคาหลายล้านให้พ่อให้แม่อยู่ให้ใช้ถึงจะเรียกว่าเป็นการประพฤติดีกระทำดีทำดีแล้วก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุข น้บุญคุณที่เราทำให้กับพ่อแม่ถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไม่สามารถใช้บุญคุณของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไปได้บุญคุณของพ่อแม่นี้มากเกินกว่าที่เราจะทดแทนได้ท่านบอกไว้ว่ า, วาต่อให้เราแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอดจร ะ, ะปัสะสะใส่เราไปจนวันตายบุญคุณที่ท่านมีกับเรานี้ ก็ยังไม่มีวันหมดวิธีที่จะทำให้บุญคุณหมดไปได้นี้ก็คือต้องทำให้ท่านพ้นอบายให้ได้พวกเรานี้ตายไปแล้วยังต้องไปเกิดใหม่และจะไปเกิดสวรรค์หรือจะไปเกิดในอบายก็อยู่ที่การกระทําของพวกเราถ้าเราการถ้าเรากระทาบาปเสพสุราอบายยมุกต่างๆ ต, ต, ตายไปเราก็ยังต้องไปอบายอยู่ ถ้าเราไม่อยากไปอบายหรือไม่อยากให้ผู้ไปอบายเราก็ต้องละเว้นการกระทำบาปละเว้นการเสพสุรายาเมาละเว้นอบายยมุกต่างๆถ้าพ่อแม่ของเราท่านยังก็มีการกระทำบาปอยู่เราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ทำบาปให้ได้เช่นพาไป วัดพาไปหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ยินได้ฟังธรรมให้เกิดศรัทธาขึ้นมามเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ประพฤติได้ปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ า, า, าก็มีโอกาสที่จะได้บร ร, รลุอริยมรรคอริยผลถ้าได้บรรลุขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าขั้นโสดาบัน ก็จะปิดประตูอบายได้ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกและจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะหลุดพ้นก็จะเข้าไปสู่พระนิพพาน จะไปได้ก็ต้องอาศัยการได้มาวัดไดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาผลก็คืออริยผลต่างๆมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันในขั้นนี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้ขั้นที่สองได้ขั้นสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในโลกของพรหมไปเกิดในโพรหมรโลกแล้วถ้าได้ขั้นที่สี่คือได้ขั้นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพนี้อีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าได้บรรลุถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี่ท่านตัดภพตัดชาติได้หมดยุติการเวียนว่ายตายเกิดท่านได้กลับไปถึงพระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ บิดามารดาของพวกเราจะสามารถรับผลเหล่านี้ได้ถ้าท่านมีโอกาสได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้าท่านมาวัดไม่ได้เวลาเรามาวัดก็เอาหนังสือธรรมะเอาซีดีไปให้ท่านฟังที่บ้านแทนก็ได้ชวนให้ท่านฟัง<ฮ>เราฟังกับท่านไป ถ้าบางทีท่านไม่อยากจะฟังเราบอกว่าเราอยากจะฟังชวนให้ฟังด้วยกันฟังไปบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะจดจำได้แล้วก็จะสามารถเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้เอาไปปฏิบัติเอาไปทำใจให้หลุดพ้นจากอบายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือเรียกวิธีเรียกว่าปฏิบัติบูบชาการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นบูชาที่ประเสริฐที่ดีกว่าอามิสบูชาเพราะการกราบไหว้บูชานี้ไม่ได้ทำไม่ได้ทให้มีเกิดผลอะไรมากนอกจากความรู้สึกที่ดีเวลาเห็นลูกๆได้มาไหวามากราบเท่านั้นเอง แต่ใจก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้หลุดพ้นจากอบายแต่ถ้าได้ยินได้ฟังทำแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะหลุดพ้นได้จากอบายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทำให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณของพ่อพ่ได้หมดแล้ว เราเป็นคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างแท้จริงแล้วเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเรานี่คือเรื่องของวันสงกรานต์ที่พวกเราไปกราบไหว้บูชาบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่บุคคลที่มีบุญมีคุณเช่นปิดามานดาคูบาจาร์หรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีพระคุณแก่พวกเรา ขอให้เราพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตายไปรับรองได้ว่าจะได้ไปสู่สุขคติอย่างแน่นอนถ้าไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะถึงขั้นลองลงมาตามลำดับแห่งกำลังของการปฏิบัติของเราแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติต่อในภ พ, บพบหน้าชาติหน้าได้ ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันสงการานเพื่อมาทำบุญเพื่อมาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อให้ท่านได้ มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบรรเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความจเจริญด้วยอายุวันน้สุขะพารา โดยทั a, ่วหน้ากันเธอ